จากมาสุดเว้านังตายังเพื่อนเปีเยกหมอนหลับยังฝันทุกคืนตื่นห่วงหาหัวใจอวบนุ่งงามนอนเจ้าจะลับฝันถึงกันหรือปลา่านานจะนานแสนนานเพียงไงไม่วัน ให้เธอรักฉันรักมันสองเราเติมแต่งความคนื่งคิดถึงกันคำชา้าสุขภาพรักเราจะไม่อ่อนแอ ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานาเสนอข่าวสารสาระที่น่าสนใจนะครับซึ่งในในช่วงนี้นี่นอกจากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนะครับซึ่งก็ยังเร่งช่วยเหลือกันอยู่ก็มาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ รัฐมีนโยบายที่จะตั้งคณะกรรมการพรองดองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายได้มาพูดมาคุยกั น, นเพื่อเกิดสันติภาพนะครับที่นในสังคมซึ่งตรงนี้นี่ก็ทั้งในส่วนของทางคอสชอทางรัฐบาล น, นะครับนในส่วนของสองปทก็ดีนะครับแล้วก็พักการเมืองต่างๆเนี่ย ก็มีท่าทีนะครับว่าตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของการปล o n ดองพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นในฐานะเลขาธิการของคสชก็กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปล o n ดองว่าในส่วนกระทรวงกลาโหมดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าใครจะรับผิดชอบด้านใดบ้าง ครับซึ่งแต่ในส่วนตัวก็คิดว่าการปรองดองเป็นสิ่งที่ดีทุกฝ่ายต้องอร่วมมือร่วมใจกันนะครับการปรองดองก็จะเป็นผลก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายๆส่วนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของผู้มีชาการทหารบกส่วน ด็อกอรสุวิทย์เมศินศรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายกได้มอบหมายให้เป็นเลขานุ ก, การคณะกรรมการบริหารราชะการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติและก็ ก, การสร้างความสามัคคีปองดองคือดออรสุวิทย์นี่เป็นเลขาของของคณะกรรมการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องปองดองนี่แหละครับซึ่ง ตัวย่อก็คือปอปยยักษ์ปปปอยอปนะครับซึ่งก็เปิดเผยบอกว่าก็เริ่มทํางานแล้วนะครับท่านสัปดาห์หน้านี้จะเดินหน้าพูดคุยบุคคลหน่วยงานต่างๆเตรียมในการทําแผนโครงสร้างของของปอยอปซึ่งก็จะมีคณะกรรมการ4ี่ชุดย่อยนะครับได้แก่คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติคณะที่1นะครับ คณะที่2ก็คือคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศนะครับนะดรสุวิทย์ว่าอย่างนั้นและคณะที่3เป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปลองดองนะครับส่วนคณะสุดท้ายก็คือคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ก็มีอยู่4คณะซึ่งดรสุวิทย์ก็บอกว่าในช่วงวันที่16มกราก็จะเข้าพบ ประธานสภาขับเคลื่อนการเป็นรูปแห่งชาติคือท่านธินพันฑ์นาคตนะครับแล้วก็จะมีการหารือถึงการสารต่องานด้านการปฏิรูปแล้วก็จะรับข้อเสนอจากสมาชิกนะครับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศหรือสปทนะครับก็รับมาแล้วก็จะเข้าหาลรือกับ พลหรือเอกนรงพิพัฒนาใสรงนายงตรีนะครับซองแล้วก็นายวิศนุเครืองามนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการแล้วก็จะเข้าพบพลอากาศเอกประจินจันตองนะรองนายกดีที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก่อนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องการปลองดองซึ่งคงจะต้องอาศัยหลายฝ่ายแต่ดรสุวิทย์เมธินีนี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุ ก, การก็ต้องติดตามการ ทำงานตรงนี้นะครับว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องตามดูท่าทีของแต่ละฝ่ายส่วนนายพีรัสักพจอจิตลองประทานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองนะือสอนชก็กล่าวถึงว่าบรรยากาศการปองดองนี่นะครับก็ได้พบปะพูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรงคนายงตีให้รัฐมนตรีกลาโหม่มก็บอกว่าได้มอบหมาย นายประวิตยเนี่ยพลเอกประวิตยเนี่ยมาดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองซึ่งก็ในส่วนตัวพลเอกประวิตก็ตั้งใจที่จะทำงานก็พยายามที่จะดึงพักการเมืองทุกพักมาทำา MOU ข้อตกลงนะครับเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งแล้วก็เดินหน้าสู่การปลองดองนะครับแนตะ่ก็ก็ต้องดูนะครับว่าแต่ละฝ่ายมีความเห็นยังไงส่วนนายเสรีสวณพานนท์ประธานคณะ กรรมธิการขับเคลื่อนการเป็นไปไรูปประเทศด้านการเมืองของสองปทก็กล่าวว่าก า, า, า, า, กกาการประสานงานกับกรรมการปลองดองชุดต่างๆที่รัฐบาลตั้งขึ้นนี่ก็คิดว่าสปทก็จะเข้าไปประสานงานนะครับจะได้ทํางานร่วมกันในการที่จะสร้างบรรยากาศการปลองดองแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อยากจะเสนอให้ในส่วนของภาคภาครัฐเนี่ยนะครับต้องรอ รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนจากชาวบ้านจากพรรคการเมืองจากหลายๆฝ่ายนะครับนะว่ามีจะเสนอแน่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะสร้างความบองดองอย่างไรแล้วก็ค่อยหลังจากนั้นค่อยพิจารณาที่จะมีร่างกฎหมายออกมานั่นก็เป็นความเห็นของในส่วนของประธานคณะกรรมติการขับเคลื่อนกัน ปฏิรูปประเทศนะครับของของสอปทคือในเสรีสุวรรณพานน์นะครับแต่ก็เป็นความเห็นของเล่หลายฝ่ายก็คิดว่าหลังจากนี้บรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของการปฏริรูปประเทศการปรองดองก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็จะติดตามแล้วก็จะนำมาพูดมาคุยมานำเสนอกันก็ต่อไปรับฟังเพลงสักเพลงก่อนจะมาพูดคุยครับ Oh, oh, oh. าแม่กล้อยเกลืนเป็นยดน้ำเพรียงคำกล่าวคำทักทายผุ้มบอลดมงดาใได้ฝนกระเซ็นจนช่ำเย็นชื่นใจแส้นที่ส่งเป็นสายก็เป็นรุ่งร้ายเมื่อแดดปนฝนใส Keep it away n t h past. This <laughs> is like t h sky of ได้กลับคืนโน้นมาได้คืนกลับมาหาปลอบใจพื้นนาที่อยู่หนาเดียวดา อ่อนออนเวลาเย็นช่วยงามพองจะถุยลุยน้ำในน้องย้ายเอวผ่านเรียงเทียนนาวันเวลาเดิมกับพื้นดําเดิมได้กลับคืนยง มาหาปลอบใจพื้นนาที่อยู่หนาเดียวดาได้เป็นสุขหนักหนากอดน้องพื้นนาได้ห่งฟ้าเดียวกันครับมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมทาง ทางทางภาคใต้ทางภาคใ ต, ใต้ซึ่งก็ยังถึงแม่น้ําจะเริ่มลดลงนะครับนะแต่ว่าก็ยังมีปริมาณฝนตกกระจายกันไปนะครับแล้วก็น้ํายังท่วมอยู่นะครับในในหลายจังหวัดละครับนะส่วนใหญ่และครับในภาคใต้นะครับโดยเฉพาะาแถวสุราษฎร์แถวชุมพรนะครศรีธรรมราชนะครับในช่วงกลางๆนะนะของของภาคใต้เนี่ยยังยังท่วมกัน หนักน้ำในระดับสูงเลยนะครับนะแต่ว่าในส่วนของบางสะพานที่ประจวบคิลิคันนี่ท่วท่วมหนักสุดนะครับแล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลผ่านพื้นที่ตลาดโรงพยาบาลก็กำลังฟื้นฟูกันอยู่นะครับซึ่งตรงตร ง, ตรงนี้นี่ในส่วนของภาครัฐก็คงจะต้องเร่งนะครับนะตอนนี้ในส่วนของอย่างเช่นที่ชุมพรเนี่ยมีฝนตกหนักเมื่อวันที่สบดมกราคม ฝนตกหนักที่ชุมพรนะครับนะก็ท่วมถนนเยเชีย e 41นะครับแถวหน้าสถานาีตำรวจทุ่งตะโกนะครับอเภอทุ่งตะโกที่ชุมพรสูงประมาณเกือบ 30-40 เซนตะิเมตรเลยนะครับแต่ระย ะ, ย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะทางไกลก็ร ะ, ะดมในส่วนของทหารอาสาสมัครเข้าไปฟื้นฟูไปช่วยเหลือนะครับ ท, ที่ชุมพร นะครับนะเพราะฉะนั้นนตรงนี้ฝนฝนยังตกนะบางบางจังหวัดนี่ก็เริ่มดีขึ้นที่นครศรีธรรมราชนี่มีฝนตกสลับนะครับนะมีทั้งหนักทั้งเบาสลับทําให้ปริมาณน้นําในคลองก็เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่กรมชนประธานทหารเรือนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมกันพักดันน้ําลงทะเลแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ ในในทะเลเนี่ยมีน้าสูงด้วยนะครับมีขึ้นทะเลสูงสองสาเมตรนะสัตว์เข้าชายฝั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้การระบายน้ำเนี่ยก็คงจะอาจจะยังลำบากอยู่นะก็เกิดน้ำท่วมนะแถวปากพันนังแถวขนอมสี่ชนนะครับนะที่อำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องเร่งกันนะครับนะนะเร่งในการที่จะคลี่คลายปัญหานะในในส่วนของ นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนี่ระดับน้ําในแม่น้ําตาปีก็ยังคงทรงตัวนะแต่ก็มีเอ่อล้นตลิ่งอยู่ในอําเภอพุนพินนะก็ยังท่วมกันอยู่นะครับนะในส่วนใหญ่แล้วในภาคใต้นน้นนํำยั ง, ย, งยังท่วมในส่วนของต้องเร่งในการที่จะระดมช่วยเหลือกันหลายๆหน่วยงานก็ระดมความช่วยเหลือไปอยังภาคใต้ที่ทําเนียบรัฐบาล น, นี่นาย รัฐบาลก็ตั้งศูนย์นะครับรับบริจาคเพื่อส่งไปช่วยภาคใต้นายนอมศินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตีนะครับก็ก่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้บอกว่าคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยของสำนักนายกก็มีมติมอบเงินให้ผู้เสียชีวิตรายละห0 0 0บาท ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายงตีก็จะเป็นผู้มอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตในการลงพื้นที่ในวันสุดที่สุราษฎร์ธานีในวันที่26มกราคมนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็จะเป็นคนไปมอบแทนนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตและนอกจากนี้รัฐมนตรี อ, อมสินบอกว่าจะแจกวิทยุทาซิเตอร์ให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนไว้ฟังข่าวสาร ของทางราชการนะครับนะก็าว่าตามสถานการณ์น้ำท่วมอะไรต่างๆนะขณะนี้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณาภัยก็ได้รับบริจาคนะรัฐบาลรับบริจาคมา300ล้านนะมีคนบริจาคมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะทยอยลงไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับนะในพื้นที่ต่างๆนั่นก็เป็น การเปิดเผยของรัฐมนตรีอมสินนะครับส่วนพลเอกฉัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีเกษตรนะก็เปิดเผยบอกว่าจะเสนอของงบกลางนะครับช่วยเหลือฟื้นฟูกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเสนองบไปสี่พล้านนะครับในที่ประชุมครมนะครับเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือเพราะว่าในส่วนของ สวนยางสวนปาลามเนี่เสียหายหนักนะครับในในในพื้นที่ต่างๆทั่วทั่วภาคใต้แล้วครับเป็นเป็นแสนไร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะจะนําความช่วยเหลือตรงนี้ลงไปนะครับไปไปไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในในในภาคใต้คือการการการฟื้นฟูนีน่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องต้องทําอย่างมีระบบนะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณละครับเพราะว่า หลังจากน้ําท่วมนะโดยเฉพาะทางด้านสวนยางสวนปาล์มเสียหายหนักเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องไปหาซื้อพันธุ์นะครับพันธุ์ยางพา ร, ราหรือว่าปาล์มเนี่ยมาปลูกใหม่กนะ็ต้องใช้เงินแล้ครับในการที่จะไปซื้อพันธุ์แล้วก็จะต้องมาบํารุงนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูนะ ใ, นในเรื่องของเลือกสวนไรนาด้วยนะครั บ, นะรบแล้วก็ถนนหนทางอีกล้วครับในการที่จะต้องฟื้นฟูเพราะฉะนั้นนี่ต้องใช้งบประมาณ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 เดีนาทีใจฉันยังมั่นคงต่อเธอคนนี้รักนั้นที่มีไม่เคยน้อยลงถึงีเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอย่าห่วงในยนะ อยากกังวลให้เธอจงมั่นใจรักที่มากน้นขอเพียงเราสองคนไม่ล้มทางใจจะมีแต่เราจะมีแค่เราจะเป็นเหมือนเงา คนใดจะมีแต่เราเปรียบเป็นเช่นลมหายใจผูกพันมีกันและกันตลอดไปหอใจยังไงก็ยังรักเธอสม่ำเสมอ เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตามากมายแค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รักเธอ มีแต่รา